แล้วได้ปฏิบัติมันชักซิดใคยพูดแล้วพูดอีกจึงชวนกันทำให้กันก็ไม่ได้กะชวนกันเราถ้าเราหลงใครก็เคยหลงแล้ว เ, เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงใครก็เคยเปลี่ยนมาแล้วแต่ยังเราเปลี่ยนในอย่างเวลามันหลงเวลามาันุกเวลามันทุก ถ้าเรื่องไม่เปลี่ยนก็ไปไม่ถัานเขาแล้วถ้าจะเอาอย่างคนอื่นเ็เอาอย่างนี้และคนอื่นเขาก็เปลี่ยนหลงก็ไม่หลงเปลี่ยนทุกก็ไม่ทุกเขาทำอย่างนี้กันเราตามรอยยุขคนบาดตามรอยพระเจ้าตามรอยเหล่าพระสาวกยังมีรอยให้เราเห็นอยู่ไม่จนบอกผิดบอกถูกแก่เราโดยเฉพาะถ้าเราปฏิบัติเนี่ย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 ไปมันอ่อนก็หมุนชาหมุนชาไปก็เบียดก็ชดไปเลยเลยเพราเครื่องสูบน้ำมันชาสติเมื่อมันช้าไอ้ไหวไม่หัดให้มันไหวมาไวๆมันไม่ไหวสติอันสุดก็หลงเป็นหล ง, ลงอยู่เช่นนั้สมใหม่ส้มทีหนึ่งก็ต้องหลายหลายครั้งโดยเฉพจะหลงเป็นลูก <c oughs>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 นานเท่าไหร่ไม่รู้น้อาหายใจช้าหน่อยก็นนะ่ะหายใจกนันิดหน่อยก็ไม่ได้เทิ้งอีกทิ่งไปทิ่งมามันกลายเป็นเรื่องดีแนละ้วผลที่สุดมัก็ใช่ได้การออาทิ้งนะ่ะในลักษณะของความยากควงางไม้เอาทิ้งดูสิมันจะใช่ได้ความยากก็ใช่ได้ควงง่ายก็ใช่ได้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 เอาสันหลังใส่แสงแดดเอาสันหลังใส่ขนเวลามันามาถูกแดดเป็นไงเวลาถูกขนเป็นไงมือก็ไม่เยอยู่นิ่งๆต้องจับต้นก้ามาปักบางทีเท้าหัวไม่มือนี่มันแฉงก็ต้องเก็บไม้มือนิ้วมือเล็บมือต้องออกงั้นปักดินแสงๆไปถู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 เพื่อเข้าข้างตัวไม่ต้องอ้างมัินละท้ายายเว็นใจเชืเ่อมแข็งสน่อยหัดให้เชืเ่อมแข็งก็เชืเ่อมแข็งนะจะติเนี่ยหัดให้อ่อนแอก่อนเดจะตติเนี่ยถ้าสิงบปร่มมาดีก็งอกงามระยะจึงสนุกสนุกไป ลองเดินดูสิจักยี่สิบวันดูสิเป็นยังไงหนูตาเคยเดินวันแรกเนี่ยขาแตกเลยโค่นขาแตกเพื่อนไม่เป็นไรก็ขอโบอกกันมาโอ้ข อ, อพอพักสักหน่อยก่อนเดินไม่ไหวแล้วแสบคุกขาหมดแล้วขาแตกก็เพื่อนก็หัวเราะพัก หาที่พักหาป่าประกดพอพักแล้วกระดูกระดีกไม่ได้แสบมันแตกแล้วมันน้ำเหลืองมันแห้งแล้วมันติดเวลาจะลุกไปโอ้ยเกบ็บเก็บไปไหวไหน้องนีไ่ไหวไหมน้อยเก็บเยอะเกินเก็บเยอะเกิ น, ก เ, กนเอาความเก็บไม่ไหวกระเดาไม่ได้ไป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 ดานแรกเนะเนีตั้งแต่กายานุัสสนามีสีเห็นกายก็บมวกรวบบกายสพาวะกายไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวตนโลกขยากเลยไม่ใช่อยากเป็นสักกาจะทิฏฐิเป็นตัวเป็นตนเอาความยากมาเป็นความยากเอาความง่ายมาเป็นความง่าย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 ใครก็เหมือนกันนั่นละไม่ต่างกันหรอกแต่เป็นนักบวดจะเป็นครวา่าจะจอมจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนหนุ่มคนแ ก, ก, ก่เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดล่งถ้าจะเอาทาผิดก็เหมือนกันหมดถ้าจะทําถูกก็เหมือนกันหมดไม่ใช่คนละอย่างความเห็นผิดก็เหมือนกันหมดความเห็นถูกก็เหมือนกันหมด ตรงที่หลงไม่หลงก็เหมือนกันหมดตรงที่หลงเป็นท เ, เป็นคนหลงก็เหมือนกันหมดไม่ต่างกันแต่เราจะจัดการกับตัวเราอย่างไรเป็นเรื่องของเราต่างหากที่เราต้องพัฒนาชีวิตขงตนเองทาเองง้นสนุกทานะ